ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายาคาพระพุทธภาสิตคนผานบริโภคโภชนะด้วยปลายาคาทุกๆเดือนขาผู้ทาอยู่เช่นนั้นย่อมไม่ได้รับประโยชน์แม้เพียงส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับท่านผู้ได้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอธิบายกว้างเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะปลารบชัมผูกาชีวกผู้บริโภคอุจจาระอ้างตนว่ากินลม เมื่อคนทั้งหลายผู้หลงผิดเลื่อมใสนำขาธิยะโพนิญาหานมาให้ก็อาปลายญาคาแตะของนั้นแล้ววางบนปลายลิ้นเป็นทนองว่าได้บริโภคแล้วเพื่อฉลองศรัทธาของมหาชนเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนตอนหลังพระศา ส, สดาทรงแสดงธรรมให้เกิดสังเวชสลดใจให้เหลิกประพฤติหลอกลวงมหาชนให้ได้สาเร็จอราหัตผลแล้วได้เห็นว่าความประพฤติของตนแต่ก่อน สู่การบรรลุธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยพระศาสดาทรงประกาศความข้อนี้แก่มหาชนซึ่งมีชัมพูกาชีวกนั่นเองเป็นพยานเรื่องย่อเกี่ยวกับชัมผูกาชีวกนั้นมีดังนี้ในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาว่ากัสสปกุดุมพีคนหนึ่งสร้างวิหารคือที่อยู่ถวายพระเถระรูปหนึ่งแล้ว บ, บำรุงอยู่ด้วยปัจจัยสี่ พระเถระรูปนั้นฉันอาหารในเรือนของกุฎุมพีซึ่งแปลว่าผู้มีอันจะกินหนึ่งนิตเช้าวันหนึ่งภิกษุขีณาศพคือผู้สิ้นกิเลสแล้วรูปหนึ่งเที่ยว บ, บินทบาตมาถึงเรือนของกุฎุมพีนั้นเขาเห็นพระขีณาศพมีอิริยาบทหน้าเรืมใสจึงนิมนต์เข้ามาในเรือนเลี้ยงดูด้วยโภชนาอันประเนี๊ด้วยความเคารพถวายผ้าสาโดกเป้นใหญ่พลางกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ท่านพึงยอมผ้าสาดอกผืนนี้นุ่งเถิดและกล่าวต่อไปว่าผมของท่านยาวแล้วข้าพเจ้าจักนําช่างกระระบบมาปรงผมของท่านข้าพเจ้าจักจัดเตียงและต่างเพื่อท่านพระเถระผู้ชันเป็นประจําในเรือนเห็นอาการที่กุดุมพีแสดงแก่พระกี่นาศพและสักการะที่เขาทําแล้วแก่ท่านเกิดมีจิตริษยาขึ้นไม่อาจอดกลั้นได้คิดว่ากุดุมพีทําสักการะสัมมาณะ แก่ภิกษุอันตนเพิ่งพบเห็นเพียงครู่เดียวถึงขนาดนี้ซึ่งไม่เคยทําแก่เราพูดสนิทสนมเลยดังนี้แล้วลุกไปสูวสกกปส่วิหารภิกษุขี่นาโสดก็ไปสู่วิหารพร้อมกับพระเถระเจ้าของถิ่นนั้นยอมผ้าสาดกที่กุฎุมพีถวายแล้วนุ่งกุฎุมพีพาช่างคารบบบไปปรองผมให้ท่านให้คนจัดเตียงต่างถวายแล้วนิมนต์พระเถระทั้งสองรูปเพื่อฉันในเรือนของตนในวันรุ่งขึ้น ที่สูญเจ้าของถิ่นเดือดร้อนด้วยแรงวิทยาไม่อาจอดปลั้นได้เวลาเย็นเข้าไปหาพระขีณาศพด่าว่าด้วยอาหารสี่อย่างว่าดูก่อนอาคันตุกะการที่ท่านจะพึงเคี้ยวกินอุจจาระยังจะประเสริฐกว่าการบริโภคอาหารในเรือนของกุฎุมพีท่านให้ถอนผมด้วยแปรงตานดีกว่าปรุงขมด้วยช่างกระบกที่กุฎุมพีนํามาการเปลยกายของท่านประเสริฐกว่าการนุ่งขอมผ้าสาดกที่กุฎุมพีถวายการนอนเหนือแผ่นดินของท่านประเสริฐกว่า นอนบนเตียงที่กุดุมพีนํามาพระเถระผู้เป็นกีณาศพได้ฟังดังนั้นเข้าใจถึงความรู้สึกของพิสุเจ้าของถิ่นโดยตลอดคิดว่าคนพานนี่อย่าต้องวอดวายเพราะเราเลยดังนี้แล้วลุกขึ้นไปแต่เช้าตรู่มิได้คำนึงถึงการนิมนต์ของกูดุมพีฝ่ายพิสุเจ้าของถิ่นตื่นแต่เชา้าทําสิ่งที่ควรทําเช่นกวาดลานวัดเป็นต้นแล้วเาคาะระฆังด้วยหลังเล็กด้วยเกรงพิกษุกีณาศพจะตื่นด้วยเสียงะระฆัง แล้วเข้าไปสู่บ้านเพื่อบินธบาตคือที่ทำอย่างนั้นเป็นถมองว่าได้ให้สัญญาในการออกบินธบาติแล้วหากใช้ไม้ตีระฆังอย่างปกติเรลยงว่าภิกษุขี่นาศพจะตื่นแล้วออกไปบ้านของคุณดมพีด้วยคุณดมพีทําสักการะแก่พระเถระอย่างที่เคยทําเมื่อไม่เห็นพระขี่นาศพจึงถามว่าทําไมจึงไม่มาด้วยภิกษุเจ้าของถิน่นจึงกล่าวว่าอย่าได้พูดถึงเขาเลยเมื่อวานนี้พอท่านกลับเท่านั้นเขาก็เข้านอนจนป่านนี้ยังไม่ตื่น ตอนเช้าเมื่ออาตมากวาดวิหารกรอกน้ำฉันใส่หม้อตีระครังด้วยเสียงอันดังเขายังไม่รู้สึกยังนอนหลับอยู่กุดุมพีพิจารณาคำของพระเถระและท่าทางที่พูดแล้วไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงดังนั้นเพราะผู้มีอริยาบทเช่นนั้นย่อมไม่นอนมากอย่างที่พิสุนั้นกล่าวอย่างแน่นอนพิสุนี้คงจะไม่ยินดีในสการะที่เราทำแล้วแก่พระขีนาศพเขาล้างบาปของพระเถระนั้นแล้วบรรจุเต็มด้วยอาหารอันประนี ฝากไปถวายพระขีนาศพและเลี้ยงภิกษุนั้นให้อิ่มหนำที่เรือนของตนด้วยความเคารพภิกษุเจ้าของถิ่นคิดว่าถ้าพระอาคันตุกะได้ฉันอาหารอันประณีตเห็นป่านนี้เธอจกติดในรถอาหารแล้วข้องอยู่แต่ในที่นี้ไม่ยอมไปที่อื่นดังนี้แล้วทิ้งบินทบาทนั้นเสียในระหว่างทางไปสู่ที่อยู่ของพระขีนาศพแต่ไม่ได้เห็นท่านเพราะท่านได้ไปเสียแล้วแต่เช้ามืด สมณธรรมอันที่สุดนั้นทำมาเป็นเวลานานถึงสองหมื่นปีก็มิอาจช่วยได้เพราะการเบียดเบียนพระอราหันต์นั้นเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในนรกอเวกีเสวยทุกข์เป็นอันมากสิ่งพุทธันดรหนึ่งพุทธันดรคือช่วงว่างระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงอีกองค์หนึ่งมาถึงพุทธกาลนี้เขาเกิดในตระกูลมั่งขั่งตระกูลหนึ่งในเมืองราชพฤก์เด็กนั้นตั้งแต่พอเดินได้ไม่ต้องการนอนบนที่นอน ไม่ต้องการบริโภคอาหารเช่นข้าวสวยหรือข้าวต้มกินแต่อุจจาระของตอนเองมารดาบิดาเข้าใจว่าลูกประพฤติเช่นนั้นเพราะยังเด็กอยู่แม้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ไม่ละความประพฤติเช่นนั้นคือไม่หนุ่มผ้าชอบเปลือยกายชอบนอนบนพื้นดินกินอุจจาระตนเองมารดาบิดาของเขาคิดว่าลูกคนนี้จะทําให้สะกวลเสื่อมเสียเขาไม่ควรอยู่ครองเรือนควรบวชในสำนักของอาชีวกทั้งหลายดังนี้แล้ว นำเขาไปฝากให้บทในสำนักของอาชีวกคือนักบทลทัทธิหนึ่งเมื่อบทแล้วเขาถอนผมด้วยแปลงตานเมื่อมันดาบิดาของเขาเชิญอาชีวกทั้งหลายไปบริโภคอาหารที่เรือนตนเขาก็ไม่ไปพออาชีวกทั้งหลายไปแล้วเขารีบเปิดประตูวัจกุรีคือซ่วมลงไปปั้นอุจจาระให้เป็นคำคำแล้วบริโภคมีคนนําอาหารมาจากบ้านของเขาเขาก็ไม่กินเมื่อพวกอาชีวกทั้งหลายกลับมาถามเขาว่าได้อาหารที่ใด เขาบอกว่าได้ที่นี้เองในวันต่อมาก็เหมือนกันเขาไม่ยอมไปในที่นิมนต์กับพวกอาชิวกทั้งหลายทำความสงสัยแก่อาชิวกเป็นอันมากว่าเขาผู้นี้ได้อาหารจากที่ไหนอย่างไรวันหนึ่งอาชิวกจึงให้พวกตนสองคนคอยจับ ก, กิริยาของชามพูกาชิวกนั้นนอ ก, กนั้นเข้าไปบริโภคอาหารในบ้านฉมพูกาชีวกเข้าใจว่าอาชีวกทั้งหมดไปแล้วจึงรีบเปิดประตูส้วมลงไปกินอุจจาระอย่างเคย อาชีวกสองคนเห็นพฤติกรรมนั้นทั้งหมดจึงบอกแก่อาชีวกทั้งหลายพวกอาชีวกคิดว่ากรรมนี้หนักหนอหากสาวกของพระสมณะโคดมรู้เรื่องนี้ไซความเสื่อมเสียกิตติยศจะพึงบังเกิดแก่พวกเราอย่างแน่นอนดังนี้แล้วขับไล้ชัมผูกาชีวกออกจากสำนักของตนชัมผูกาชีวกไปอาศัยอยู่ที่หินดาแท่งหนึ่งสำหรับประชาชนมาไทยอุจระกินอุจจระที่ประชาชนมาไทยไว้ เวลาปกติเอามือข้างหนึ่งเหนี่ยวค้อนหินยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นพาดบนเขา่ายืนเงยหน้าอาปากอยู่มหาชนคนโงท่ทั้งหลายเข้าไปหาเขาไหวแล้วถามว่าเพราะเหตุใดจึงยืนเงยหน้าอาปากยกขาข้างหนึ่งขึ้นพาดเขา่าชัมพูกาชีวกตอบว่าเรามีตะบะสูงตะบะกล้าหากเราเหยียบแผ่นดินด้วยเท้าทั้งสองข้างแผ่นดินจะไหวจะยกขาข้างหนึ่งขึ้นเสียส่วนที่อาปากนั้น เพราะเรามีลมเป็นพักษาไม่กินของอย่างอื่นเลยเรายือนอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่นั่งไม่นอนมนุษย์โงโงงวทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็เหลื่อมใส่หรือกระชอนไปทั่วแหวนอังคะและมะขดมหาชนจากแหวนทั้งสองนำสักการะเป็นอันมากมาให้ทุกเดือนอาชีวกกล่าวว่าเราไม่กินอาหารอย่างอื่นกินแต่ลมอย่างเดียวหากินอาหารอย่างอื่นต่บะจะเสื่อมดังนี้แล้วไม่ปรารถนารับอาหารอะไรที่พวกมนุษย์ผู้หลงงมงายนำมาให้ พวกมนุษย์จึงอ้อนวอนอยู่บ่อยๆให้รับอาหารของตนเพื่อประโยชน์ทางความสุขแก่เขาอาชิวกจึงกล่าวว่าเราไม่ต้องการอาหารอย่างอื่นนอกจากลมแต่เมื่อถูกคนทั้งหลายอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่จึงเอาปลายยาคาวางบนอาหารมีเนยใสยเป็นต้นแล้วเอาแตะที่ปลายลิ้นแล้วส่งคืนเจ้าของพร้อมได้กล่าวว่าเอาเคืนไปเถิดเท่านี้พอแล้วสําหรับความสุขความเจริญของท่านทั้งหลายเขาเพลิดตพลนเป็นคนเปรยกินอุจจาระ ขอนผมนอนบนแผ่นดินอยู่เชน่นนี้ล่วงไปห้าสิบห้าปีด้วยประการรัชนีเช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรวจ ด, ดูสัตว์โลกตามพุทธประเพณีทรงเห็นอุปนิสัยของชัมพุกาชีวกนั้นเวลาบ่ายจึงเสด็จไปยังที่อยู่ของชัมพุกาชีวกขออาศัยอยู่ด้วยแต่ชัมพุกาชีวกบอกว่าไม่มีที่พระศาสดาตรัสว่าชัมพุกะธรรมดาบรรพชิต ย่อมมาสู่สำนักของบรรพชิตด้วยกันพวกสัตว์ย่อมไปสู่สำนักของสัตว์ท่านจงให้ที่อยู่แก่รเราเถิดก็ท่านเป็นบรรพชิตรหรือชัมพุกาทูลถามใช่แล้วชัมพุกะเราเป็นบรรพชิตถ้าท่านเป็นบรรพชิตน้ำเต้าของท่านอยู่ที่ไหนทับพียสำหรับโบกวานของท่านอยู่ที่ไหนได้สำหรับบูชาญันของท่านเหล่าอยู่ที่ไหนพระศาสดาตรัสตอบว่าน้ำเต้าเป็นต้นของเรามีอยู่ แต่เราเก็บไว้ภายในด้วยเห็นว่าถือไปแต่ละอย่างเป็นเรื่องรุงรังลําบากอาชิวะโกรธ ถ, ถามพระาศาสดาว่าท่านเป็นบนรรพชิตอย่างไรน้ําเต้าก็ไม่ถืออะไรอะไรที่เป็นสัญลักษณ์แห่งบรรพชิตก็ไม่มีข้าพเจ้าจะเชื่อได้อย่างไรว่าท่านเป็นบนรรพชิตจริงพระาศาสดาตรัสว่าชัมพูกะช่างเถิดอย่าโกรธเราเลยขอจงบอกที่อยู่แก่เราเถิดสมณะที่อยู่ในที่นี้ไม่มีถิงเงื่อนนั่นใครอยู่ชัมพูกะ ไม่มีใครอยู่ถ้าอย่างนั้นเราขออยู่ที่เงื้อมนั้นตามใจท่านชัมพูกาพูดปัดความราําคาญพระาศาสดาไปประทับที่เงื่อนนั้นตกกลางคืนมีเทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้ากันมากเช่นเท้ามหาราชทั้งสี่เท้ามหาพรหมเท้าสากเทวราชเป็นต้นมีแสงสว่างอยู่ตลอดคืนด้วยอนุภาพของเทวดาเหล่านั้นชัมพูกาชีวกก็ได้เห็นแสงสว่างนั้นร่วขึ้นชัมภูการไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามว่า เหตุไฉนเมื่อคืนนี้จึงมีแสงสว่างในที่ประทับของท่านตลอดตราตรีพวกเทพพากันมาชัมพุกะภาศาสลาตต์ตอบเทพเราไหนบ้างชัมพุกะทูลถามมีเท้ามหาราชทั้งสี่เท้าสักะและเท้ามหาพคมเป็นต้นเทพเหล่านั้นมาทําอะไรมาเพื่อบํารุงเราท่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าเท้าสกะเป็นต้นหรือแน่นอนชัมพุกะเรายอดเยี่ยมกว่าเทพทั้งปวงเท้าสกะนั้น เมื่อเราป่วยก็มาปฏิบัติบำรุงเราเหมือนสามเนยน้อยแม้ท้าวมหาพรหมก็มาสู่ที่บำรุงเราเราเป็นพรมยิ่งกว่าพรหมจำผู้กะกล่าวว่ามหาสมณะท่านเป็นผู้อัศจรรย์แท้เข้าไปเจ้าอยู่ที่นี่มาห้าสิบห้าปีแล้วไม่เคยมีเทพใดๆมาปฏิบัติบำรุงเลยแม้แต่อง้งเดียวเข้าไปเจ้ามีลมเป็นพักษาและอยู่ด้วยอิริยาบถยืนอย่างเดียวไม่นั่งไม่นอนสิ้นเวลานา น, านปานนี้เทวดาไม่ได้เลื่อมใสเลยไม่เคยมาบำรุง ชามพุกกะท่านนั้นหลอกลวงมหาชนผู้งงเข่ามานานยังจะหลอกลวงเราได้หรือแม้ในการก่อนท่านก็เคยมีทิฏฐิชัว่วจึงต้องมาอยู่ในสภาพอย่างนี้คือต้องกินอุจจะระนอนบนแผ่นดินเปลืยกายถอนผมด้วยแปลงตานเพราะทิฏฐิอันชั่วในฟางก่อนมาบัดนี้ท่านถือทิฏฐิอันชั่วอยู่อีกมหาสมณะก็ข้าพเจ้าได้ทำกรรมอะไรไว้ลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสเล่ากรรมที่เขาทำแล้วในอดีต สมัยเป็นภิกษุเจ้าของถิ่นเบียดเบียนพระขีนาศความสังเวชได้เกิดแก่ช้ำผู้กะเป็นอันมากเฮริโอตปะก็เกิดขึ้นเขาลุกขึ้นนั่งกระยงประนมมือพระาศาสดายโยนผ้าสาดสสมบใช้อาบน้ำไปให้เขานุ่งผ้านั้นถวายพังคมพระาศาสดาแล้วนั่งอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสอนุปพิกถาและธรรมเทศนาอื่นๆโดยอเนกปริยายเมื่อจบเทศนาะเขาได้บรรลุอรหัตผล พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทกรรมในปางก่อนของชัมพุกะสิ้นแล้วเพราะอนุภาพแห่งอรหัตผลนั้นสมณธรรมอันเธอได้ทำมาสองหมื่นปียังมีผลอยู่ไม่มีสิ่งใดทํำลายได้สิ่งนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เธอสําเร็จอ ร, รหัตโดยพลันพระศาสดาทรงประทานเอหิภิกขุอุปสมบทแก่เธอวันนั้นตรงกับวันที่ชาวอังคะและมคตมาถวายสการะแก่ชัมพุกะอย่างเคย พวกเขาจึงมากันมากได้เห็นพระตถามกฏและชัมพุกะซึ่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วสงสัยว่าใครนอเป็นใหญ่หากพระสมณโคดมเป็นใหญ่ชัมพูกะก็น่าจะไปสู่สำนักของพระสมณโคดมนี่พระสมณโคดมมาสู่สำนักของชัมพูกะชัมพูกะของเราต้องเป็นใหญ่กว่าพระสมณโคดมเป็นแน่แท้พระสัสดาทรงทราบความคิดของมหาชนแล้วรับสั่งให้ชัมพุกะแก้ข้อสงสัยนั้นชัมพูกะจึงประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่า พระศาสดาเป็นครูของตนตนเป็นสิทธิ์เป็นสาวกมหาชนทราบความ น, นั้นแล้วเปล่งอุทานออกมาว่าโอ้พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณเป็นอัศจรรย์จริงๆพระโทศพลทรงประสงค์จะประกาศธรรมอันถูกต้องแก่มหาชนจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายชัมภูกะวางสักการะที่ท่านนํามาแล้วไว้ที่ปลายลิ้นด้วยปลายหญ้าคาเพราะเข้าใจว่าตนประพฤตบิบําเังคับการกระทําเช่นนั้นของเธอแม้ร้อยปีก็สู้กุศลเจตนา